นะก็อุเบกขาบารมีเนี่ยเจริญยากกว่าบารมีทั้งหมดที่ที่กล่าวไปแล้วนะให้ทานรักษาศีลเนี่คัมมาอบรมปัญญาวิริยะกันติสัจจะที่ฐานเมตตานี่มันทำไม่ยากแต่อุเบกขาเนี่ยทำยากที่สุดเนยนะมาดูว่าท่านทําได้ยังไงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากว่าแม่คนบุคคลเช่นนี้นี่น่าอัศจรรย์จ ร, จริงๆ ได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะอย่างยิ่งอาศัยความเจริญอยู่กับครูในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกก็แปลว่านักเรียนกินนอนเรียนจน จ, นจบศิลปะวิทยาหมดสําเร็จศิลปะทุกแขนงเสร็จแล้วก็กลับมายัางตระกูลเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแม้พวกญาติก็ขอร้องให้ครอบครองราชสมบัตินไเอนะเอขออภยัยญาติก็ขอร้องให้ครอบครองสมบัติ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 ยังไงมันก็เดินไปสู่ความตายเดินไปสู่ความแตกทำลายโดนไปหาความไม่หลงเหลืออะไรเลยขณะเดียวกันก็เห็นอสุภะในกายทั้งหลายในในความเป็นปฏิกูลของร่างกายไม่ยึดถือกิเลสอัน ร, รมความไม่ยึดถือกิเลสอันทมให้มีความกังวลในการครองเรือนอะนะไม่มีจิตใจกังวลในการครองเรือนไม่ได้ห่วงหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่มพูนอัธยาศัยในเนคขมมะที่สะสมมาช้านาน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 นั่นแหละคือการออกบวชของท่าน น, นะครัเรียกว่าบวชทางใจเป็นหลักไม่สนใจว่าร่างกายภายนอกจะเป็นนักบวชหรือไม่เพราะแต่งตัวแบบฤาบาดีนั่นแหละก็ออกจากบ้านไปเลยนั่นแหละออกบวชแล้วเป็นผู้ประพฤติขัดเกลากิเลธอย่างยิ่งหมดกําลังก็ทําให้มีกําลังไม่โง่ก็ทําเหมือนโง่เนี่ยนะ ท่านเหมือนกับอะไรนะไม่บ้าก็ทําเหมือนบ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าบ้าจริงๆอะไรเขาอกงั้นนะแต่ว่าอันนี้นีท่านไม่บ้าจิ๊กแบบนั้นหรอกเพราะท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาครู้กุศลอกุศลรู้ทางแห่งความเสื่อมความเจริญรู้คุณธรรมทั้งมวลเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ไม่โง่เลยแต่ท่านก็ทําเหมือนคนไม่รู้อะไรถูกคนอื่นย่เยอะเยอยใหญ่ก็คือถากถางเหยียดยามอ่ะ น, นะ เมื่อพ่ะรูปร่างของท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นคนไร้จิตใจเที่ยวไปในบ้านนิคมราชธานีทุกแห่งไปอาศัยอยู่แค่คืนเดียวในที่ใดได้รับการเย้ยหยันไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียดหยามมากอยู่ที่นั้นนานหน่อยเมื่อผ้าที่นุ่งมาเก่าแม้ผ้านั้นจะเก่าเป็นขี้ริว้วก็ไม่รับเอาผ้าที่คนอื่นให้นะมันจะุมันจะอะไรยังไงก็ไม่สนใจก็เอาแค่ว่าปกปิดอวัยวะที่ทาความละอายให้กาเริบเท่านั้นแหละ บอกเปิดเพียงแค่ไม่อายก็พอใจแล้วเนี่ยนะสารท่านก็ไปไปถึงบ้านนิคมแห่งหนึ่งณที่นั้นก็บอกไอ้คำว่าฟังชื่อเรื่องนี้ก็ตือบอกมหาโลมหังสัจริยาเนี่ยมหาโลมหังสะกเขาบอกว่าเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกเลยเขว่ากันนะนะโดยเรื่องแปลว่าฟังเรื่องกับขนลุกแลก้วว่ากันนะเรื่องนี้คนทั่วไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วณที่นั้นเด็กชาวบ้านนิสยัยนักเลงชอบที่รันฟันแทงบางคนก็เป็นบุตรหลาน และเป็นทาสเป็นต้นของพวกรา ช, ชวลัลลเนี่ยนะก็คือมันเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนิสัยมันก็เกเรนะเป็นคนหญิงทะลึ่งลอกแล็ปากจัดพูดจาสามหาวเที่ยวเล่นตลอดเวลาเนี่ยนะโดยปกติก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าลูกคนมีตังที่นิสัยเลวนะเด็กชาวบ้านเหล่านั้นเห็นเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคนแก่เข็นใจก็เอาฝุน่นละอองโปรโยไปบนหลังห้อยใบลำเจียกเอาไว้ในระหว่างรักแรนะ้ใบลำเจียกก็คือเหมือนกับน้ำอ่ะ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 ไ, ไม่โง่แล้วทำโง่เนี่ยนะันทำยากมากเลยนะทได้ไม่รู้ทำได้ยังไงนะทีนี้พวกที่เป็นวินยูชนเนี่ยนะคนมีปัญญาหน่อยพอเห็นเด็กๆทำอย่างนั้นก็ห้ามเพราะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นตบะเป็นมหาโยคยีเป็นนักปฏิบัติชั้นเลิศเลรย่างนั้นก็พากันกระทำศั ก, กระอย่างมากมายพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันเราไอ้คนที่มา ประทุสร้ายกับคนที่มานับถือท่านบอกว่าไม่ต่างกันนะมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพมีแต่กระดูกทําเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทําความหยาบช้าร้ายกาดนานาประการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริองอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันเอาดอกไม้ของหอมอาหารเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากมาให้เรา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 ศบสดศบแห้งศพเน่าศบเปื่อยก็มากองรวมๆกันเนี่ยนะแล้วก็นอนหนุนทําเป็นหมอนนอนหนุนอยู่นั่นแหละนะเด็กชาวบ้านเหล่านั้นก็มาทําความไม่เหมาะสมร้ายอย่างถมน้ําลายหัวเราะเยาะเย้ยถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะถ่ายปัสสาวะแสดงว่ามีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกที่ไม่ยกมาพูดนะนะขณะเดียวกันก็ยังเอาญ้าเป็นต้นเนี่ยมาหย่อนหูปั่นหูเล่นปั่นหูเล่นดูมันจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะ เล่นตามความสะดวกเล่นตามความพอใจเลยนะีนอีกพวกก็มีเด็กชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกกว่าท่านผู้นี้เมื่อเด็กเหล่านี้ทำความไม่เหมาะสมเห็นตานี้การย่อเ ย, อเยอ้ยก็ไม่แสดงความผิดปกติอะไรอะไรเลยก็พาการเอาดอกไม้ของหอมเอาอาหารละอย่างเครื่องบรรณาการอย่างอื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เป็นวินยูชนเหล่าอื่นนอกจากเด็กชาวบ้านเหล่านั้นที่ไร้มารยาท วินยูชนเหล่านั้นบอกเมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่โกรธท่านยังมีคุณธรรมมีขันติมีเมตตามีกรุณาในเด็กเหล่านั้นอีกโอ้อัจฉริยะบุรุษก็คือบุรุษอัศจรรย์ก็ตั้งสังเวทในพวกเด็กอีกว่าเด็กเหล่านี้ปฏิบัติท่านผู้วขวนขวายานะคงสายจะบาปมากเลยนะก็เลยเอาดอกไม้ของหอมอาหารล้าอย่างเครื่องสักการะเข้าไปถวายท่าน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 มีจิตเช่นเดียวกันในชนเหล่านั้นเพราะเรามีจิตเสมอโดยไม่เกิดความผิดปกติในที่ไหนๆยะถาโกโปโนวิชติความเราเนี่ยเพราะความเอินดูกล่าวคือความมีจิตเมตตาในผู้อุปการะก็ไม่มีแก่เราแม้ความโกรธคือความปะทสร้ายทางใจแก่ผู้ไม่ทำอุปการะก็ไม่มีแก่เราคือเห็นสองคนสองกลุ่มที่มาสร้างทุกข์กับผู้มาสร้างทุกมาสร้างทุกข์ให้เนี่ยนะ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 ถ้าไม่มีปัญญาเพียงพอจริงๆเนี่ยมันทนได้ที่ไหนเห็นนะถูกเตะถูกซ้อมถูกอุจจาระปัสสาวะรถถูกยอนหูเล่นแล้วอีกภัคหนึ่งก็โคน้นมากราบมาไหว้มาบูชาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆทนไม่ได้อยู่แล้ว พระองค์นั้นมีพระไทยเสมอในสัตว์ทั้งที่เป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะนนะนทั้งคนนับถือและคนประทุษร้ายพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรานนะก็คือท่านเป็นผู้วางตนเป็นกลางเว้นจากการยินดียินร้ายทาใจเหมือนตาช่างที่จับเอาไว้เสมอการช่างได้ว่าทั้งสุขและทุกข์ว่ามัน เสมอกันเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาแม้กระทั่งท่านจะได้ลาบเสื่อมยาเสื่อมลาบมียศถูกนินทาสรรเสริญในโลกธรรมทั้งหมดท่านก็บอกว่าไม่มีความต่างกันพระพุทธเจ้านั้นครั้นแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เป็นกลางในสัรพสัตว์และโลกธรรมไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นเมื่อจะประกาศความที่พระองค์เนี่ยถึงยอดแห่งอุเบกขาบารมีในอัตภาพนั้นจบลงว่า เอซาเมอุเกขาบารมีทั้งหมดนี้เป็นอุเบขาบารมีของเราเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นจริงๆในชาตินี้ได้ครบทั้ง1ิบบารมีนะนะเช่นการบริจาคสมบัติทั้งปวงการบริจาคอัตภาพโดยไม่คำนึงว่าใครๆจะถือเอาสรีระนี้แล้วจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทำอย่างที่ตนปรารถนาอันนี้เป็นฐานบารมี อันนะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดสละร่างกายด้วยนะใครจะทำยังไงก็ได้จะเตะเล่นก็ได้จะซ้อมก็ได้จะกราบจะไหวจะบูชายังไงก็ทนได้หมดอ่ ะ, อะเพราะท่านสละไปแล้วอันนี้เป็นทานบารมีของท่านท่านไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นไม่ทําบาปอากุศลแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นศีลบารมีของท่านท่านเพิ่มพูนอสุภาษสัญญาในกายของพระโพธิสัตว์ผู้หันหลังให้ความยินดีในกามออกจากเรือนนี้เป็น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 ท่านคิดถึงแต่สภาวะธรรมจากธรรมอันไม่วิปริต น, นะคนคว้าเลือกเฟ้นสแสวงหาแต่สาระบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้บรรลุตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของท่านท่านบรรเทาอากุศลวิตกมีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วอดกลั้นทนต่อความทุกข์ได้อันนั้นเป็นวิริยะบารมี น, นะท่านนั้นอดทนต่อ อดทนด้วยความอดกลัน้นเรียกว่าอธิวาสนะขันติอันนี้อดทนจริงๆนะทนทั้งในลาบและความเสื่อมลาบท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวาจาจริงขณะเดียวกันก็งดเว้นโดยไม่ผิดจากที่พูดเพราะท่านมีสัจจะบา ร, รมีนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งใจเอาไว้พูดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะเพราะสั่งสมอันนี้เนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ตัดตแต่คําจริงแท้ การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในธรรมอันไม่มีโทษอันนั้นเป็นอธิษฐานบารมีว่าสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดเป็นบุญกุศลคุณงามความดีการเปลี่ยนใจไม่มีเพราะมีจิตใจตั้งมั่นอย่างรากลงลึกเสีแล้วว่างั้นเถอะไม่มีใครทําให้ท่านเปลี่ยนความคิดในการเจริญกุศลไปได้ความเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาในสรรพสัตว์โดยไม่เจาะจงอันนั้นเป็นเมตตาบารมีคําว่าเมตตารวมทั้งเมตตากรุณามุทิตาด้วยนะ อันนั้นเป็นเมตตาบารมีของพระองค์ส่วนอุเบกขาบารมีก็ตามที่กล่าวไปแล้วอ น, นวางเฉยทั้งสุขและทุกวางเฉยในยศความเสื่อมยศในลาภความเสื่อมลาภอ น, นวางเฉยทำใจให้เสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของพระองค์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 ที่จะรักษาความนับถือของผู้อื่นนะครับไม่ต้องให้สนใจว่าคนอื่นจะนับถือหรือไม่นับถืออธิษฐานการบวชไม่ให้เหลือด้วยจิตเท่านั้นแล้วก็อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะไม่สนใจว่าใครจะคิดว่าเราเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ไม่ได้แปลงเพศอะไรเลยนะก็อยู่ตามเดิมเนี่ยออกออกบ้านเดินดุมด ม, ดมไปเฉยเอย่างนั้นแหละเรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วไปแบบแหมกลายเป็นคนบ้าไปทันทีไปเลยเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะ บาอะไรนะดูข้างลอกเหมือนบา้าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่งโง่เนนะเพราะท่านคือสแสวงหาการตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งยินดีในความสงัดไม่คำนึงถึงกายแลชีวิตของตนประสงค์จะวางเฉย น, นะมันจะเป็นหรือมันจะตายก็ดูสิมันนะทำใจให้มันเท่ากันเสม อ, อ น, นะ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 แสดงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้น้ําตาไหลเลือดซึมเป็นต้นเนี่ยนะรับมาหมดเลยนะในสังสารวัตพบเล็กพบน้อยพบใหญ่ไล่ตั้งนานรกนนรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมขึ้นลงขึ้นลงมาตลอดระยะเวลาเสียสงไขยสแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะรับทั้งความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก็รับสมบัติทั้งมากมายนานเสียสงไขยจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราได้ให้ทานอันสมควรให้บำเพญ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคข ม, มะบารมีจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้เรได้สามบารมีแล้วใช่ไหมทานศีลเนคข ม, มะเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายอันนี้คือปัญญาบารมีทําความเพียรอย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราก็ทําอธิษฐานมั่น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 ก็เห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบคานะบารมีเหล่านี้และเป็นเครื่องทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่ง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 อันนี้แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสั่งทั้งสอนทั้งโอวาทานุสาสนีตามเนื้ตามนํานพร่มสอนอยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเละวิวาทโดยความเป็นภยัยเห็นความไม่วิวาทเป็นทางแห่งความกเกษมจงพูดแต่วาจาอ่อนหวานอันสมักสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทะเละวิวาทเน้นมาซึ่งความเลวร้ายอะไรบ้างนะน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 นนะเห็นความประมาทก็คือปล่อยใจไปในบาปในะอกุศลเห็นว่าการอยู่คลุกคลีห ม, มกมุ่นด้วยบาปอากุศลเนี่ยเป็นทางแห่งความเลวร้า ย, ยเป็นทางแห่งความชั่วร้ายเป็นทางแ่งที่มีทุกข์มีโทษแล้วก็เห็นความไม่ประมาทเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนบุญกุศล น, นะทำศีลสมาธิวิปัสสนามกผลนิพพานที่ยังไม่ให้เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นนะนะ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 เป็นการยกย่องบุพพจริยาของพระองค์ที่พระองค์ตรัสธรรมปริยาชื่อว่าพุทธาประธานิยะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าชนิแลที่กล่าวมาทั้งหมดเรียกว่าจริยาปิดกเพราะว่าเป็นการพูดถึงข้อปฏิบัติที่ทาให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ ส่วนรายละเอียดก็คงจะ ต, ต่อต่อไปก็เป็นครั้งต่อไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็คงเอาโอวาตตอนท้ายนะให้เห็นความประมาทโดยความเป็นภยัยเห็นความไม่ประมาทโดยทางแห่งความปลอดภยัยแล้วก็เจริญอริยมรรคอันเป็นองค์8เธอนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์มันก็ขอให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์โดยท่วนกันอนุโมทนา